เก้าสิบการเกิดของธรรมะคือการเกิดของจิตในปัจจุบันการตายของร่างกายแล้วจิตก็ไม่มีร่างกายนั้นคือพลังงานที่เป็นจินยามมันไม่มีบทบาททำงานอยู่ในร่างกายที่ตายไปนี้แล้วจะเรียกว่าจิตวิญญาณมันออกไปจากร่างสิริระก็เรียกกันอยู่ และนับว่าเป็นการเกิดชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจอย่างนี้กันอยู่ทั่วไปแต่การเกิดแบบนี้าศาสนาพุทธไม่ศึกษาไม่เสียเวลาไปนำมาพูดมาอธิบายมาเรียนรู้เพราะมันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องของผลวิบากที่เสร็จไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้ว ขึ้นไปงมโขงหลงอยู่กับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอดีต18และอนาคต44ไว้ในทิฏฐิ62สนั่นเองว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้งนั้นทำความเข้าใจในความเป็นอดีตกับอนาคตให้ได้เถิดแล้วหยุดเสีย อย่าไปหลงงมโขงปฏิบัติอยู่กับภาวะที่เป็นอดีตกับภาวะที่เป็นอนาคตให้อาวิชางงูกันอยู่ให้เสียเวลาเลยไม่ว่าอดีตหรือแม้อนาคตก็เช่นกันเปรียบเหมือนข้าวที่หุงสุกแล้ววงเล็บอดีตกับยังไม่มีข้าวเลยวงเล็บอนาคตแล้วจะไปงมงายทำให้มันกลับมาเป็นข้าวเปลือกอีก มันเป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างอย่าอาวิชชาโง่แม้แค่นี้กันอยู่เลยมันศูญเปล่าในการปฏิบัติอดีตอนาคตศึกษาให้รู้ก็พอได้เป็นปัจจัยประกอบการศึกษาแต่อย่าหลงไปปฏิบัติอยู่กับภาวะอดีตอนาคตมันอวิชชาโง่จริงๆ การเกิดของธรรมะคือการเกิดของจิตวิญญานในปัจจุบัน